คนอะสมชัยมันห้องก่อนฝนสิตกมันห้องย่อมเว้นจันจ้นยังหันย่อมเว้นก็ห้องฝนตกนะ่ะมันเห็นมันห้องอยู่มันแสดงว่าฝนสีเศราเ้าได้บ้านสมชยัยสมชัยห้องสมชัยห้องแล้ฝนจะยุดิเลยได้บ้านนะ ปีนี่ปีสองพหาสิพกเนี่ยมือว่านกับมือกรน่นะมือว่านเนี่ยฝนตกแข้งมากน้ำบกเคยขึ้นเคืองฟังมือเนี่ยเป็นวันที่สิวันที่18บแปดตุลา 5, ห้าหกน้ำขึ้นเคืองฟังตะกรอนบกเคยมีน้ำ ปีนี่มี่เธอเดียวเธอเนี้ยแะมีมือหนิคนว่าเห็นน้ำก้องเถอะตกจากทั้งบันเพิ่มแห้งหมู่ว่านกับฝนตกฝนก็เลยยังกับพายุนารียเลยถล่มเวียดนามมาทั้งอีสานทั้งมาทั้งเชียงใหม่มาทั้งอีสานเหนือของพวกเข้าพวกเขาก็พ่ายผลกระทบไปด้วยเห็นหน้าหนาวัดของเขากับน้ำถท่วมเด้ ขั้นน้าถ่วงมันมันลงว่าเหรอคอยู่หว่าจริลงว่อยู่มั้งขั้นบอลล่งว่านี่ถ่วงพอสองสา ม, มือนะโอ้เขากาลังเขากาลังทองกาลังมานกาลังจะออกเป็นล่วงเนา่าไรง่ายแลวแต่เสียหายอย่างมากเลยล่ะแถวบันิแวนนยยแถวนั่นละกางใหญ่แถวนั่นนนคยถ่วงเป็นยังไงบูเนี่ย นี่คิดว่าหลวงพ่อก็ดีใหญ่น้าพระเจ้าอยู่พอฝนมันบุกคอยดีแต่ว่าเกิดดีใจน้าส่วนนึงเกิดส่วนนึงกิอยากได้น้ำขึ้นเขาหนอวาขันหมองน้ำมองหน้าคุมปฏิบัพ่อแล้วน้ำแต่มองหน้าน้น่นยังมาท่านพอ่อนี่แหละสาเหตุแห่งคนทะเลาะกันมันบ่ได้ยังใจเฮาทุกซักอย่าง หน้าคุมหมดผลขนาดดีพ่อแล้วหน้ามันจะท้วมพวกหน้านอนเพราะวะ่าบอท่านพ่อน้าบอท่าน ม, มีกันทว่าให้หน้าพ่อสาหรับหน้านอนะนาลุ่มก็ น, น้าท่วมเลยนีแ่แหละอันนี้คือกันอารพวกเขา้าสั่งบางเสียงบางยามก็ต้องยืดยุนหาการ น, นะยังคอยได้ขันว่ายืดยุนหากัน ใจไผ่ใจมั่นโอ้โดยเฉพาะอย่างยิงครอบคัวผัวเมียลูกเต่าเหล่าล้านในครอบคั่วเดียวกันไปกระดันเอาใจไผ่ใจมั่น่ะอยูน้ากันบ่ใดแต่แล้วค่านาว่าจืดจุนหาการใจเขาใจเห่าพึ่งผ้าอาศัยกันะอยูได้เพราะโลกมันเป็นยูถึงสีล่ละเอาอยัางใจเจ้าของบ่ใดเด้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 คือความจริงจังและจริงใจเอาไว้ถ้ า, าว่าพวกเร า, เาไม่มีสั จ, จีลและความจริงจังและจริงใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเลาะแหลกไปทั้งหมดนล่เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ทบทวนดูนะว่าข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้บ้างแต่าาว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตอธิษฐานาคือตั้งใจมั่น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 ทุกวันพระจะรักษาสิหัตลอดไตรมาสสมเดือนข้าพเจ้าไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดภายในสมเดือนข้าพเจ้างดชุรางดบุรีงดอบายยมกุกคุณงามความดีของข้าพเจ้าได้ทำไว้ที่ด้วยสัจจะอธิษฐานสัจจะบา ร, รมีของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความ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 ร่างกายของท่านไว้เหมือนกับเราไปจอดรถไว้ในที่ล่มเออแล้วที่ปลอดภยัยพอจอดรถเสร็จแล้วก็ติดเครื่องเอาไวนะ้น่ะจึงจึงจึงจึงจึงึงอนั้นเออจากนั้นโซเฟอร์กันเออไปชมตลาดบ้างมาไปพักผ่อนในห้องแอร์บ้างาไปพักผ่อนอริยาบทเออจากนั้นพอเจ็ดวันโซเฟอร์กันะกลับเข้ามาก็ามากัขับรถ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 เข้าสู่ร่างกายของท่านพอเข้าสู่ร่างกายของท่านต่างกายของท่านก็หิวอะท่านนี่ยหิวเพราะว่าเหมือนกับเราติดเครื่องรถไว้น้นนำมันมันก็ต้องพ่องน้ำมันก็ต้องพองทั้งเจ็วันติดเครื่องไว้ท่านก็โอใครใครจะทําบุญกับเรล่าเนาะท่านก็มอกราดใายตาไปไปก็คงจะเป็นเห็นเครือญาติแต่ก่อนเก่าในอดีตชาติ เคยเป็นการสงเคราะห์กันท่านก็โอ้คนนั้นเขามีเขามีจัดศรัทธาหรือเปล่าเนาะเขามีของโอ้มีแล้วเขาจะทำบุญยังไงเนาะวันนี้แต่ก็มองดูอีกเพราะ ท, าท่านมียานรัศนะเนี่ะเจ้เสร็จแล้วท่านก็เหาะมาเลยนะเหาะมาหายแปบ๊บมาต่อหน้าแล้วกออกไปเดินบิณฑบาตต่อไปคนที่ มีศรัทธาอยู่แล้วท่านมองเห็นอยู่แล้วว่าเป็นคนมีศรัทธาพอเห็นคนนี้ก็เกิดศรัทธาขึ้นมาทันทีเลยโอ้พระผู้เป็นเจ้ามาแล้วขออนุโมทิพุนเจ้ารับทายาทานของเข้าไปเจ้าด้วยเทิดเนอ่ยพระประเจ้าพุทธเจ้านก็เดินเข้าไปรับอาหารพอเนั้นก็ใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็สาธุนะข้าไปเจ้าเกิดมาพบนิชานนี้ทุกข์ยากลําบากเหลือเกินขอให้ข้าไปเจ้าร่ํารวยอย่างพระ อนุรุธะนะข้าพเจ้าเกิดมาพบในชาตินีเ้เป็นเกี่ยวยากายตลอดอด้วยอเนกสงการทำบุญทำทานกับพระปเจพุทธเจ้ า, จาขอให้ข้าพเจ้ า, ามีแต่ความสุขเกิดมาพหน้าชาติหน้าคาว่าไม่มีคำว่าไม่มีข้าพเจ้าต้องการอะไรคาว่าไม่มีอย่าได้ข้าพเจ้าได้ยินอีกต่อไป ปรานาคำสั้นๆนะพวกเราเลยสิพระอนุรุทธะปานาข้าพเจ้าเกิดในภพใดชาติใดคําว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการสิ่งไหนก็ตามขอให้มีอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการคาว่าไม่มีเราอย่าให้ได้ยินในเมื่อข้าพเจ้าเกิดณสถานที่นั้นๆพอพระเจกท่านก็มองดู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 จากนั้นก็นเนี่ยเทวดากรสาทุกด้วยในภพนั้นชาตินั้นก็นได้เป็นเศรษฐีพเพราะเศรษฐีเขา เ, เห็นว่าเทวดาอนุมโมทนาทานใครทาบุญอะไรหมวทุกตะทำบุญนะจากนั้นท่านมาเกิดมาพบใดชาติใดเขาว่าไม่มีไม่เคยมีเลย น, ะนี่แหละอันนี้สรุปแล้วก็คือก่อนที่พวกเราจะรับพรหรือขอพรรับพรเราต้องทาความดีซะก่อน อย่างทุ ก, กตะเนี่ยท่านก็ทำทานซะก่อนแล้วจึงจึงตั้งความปรารถนานี่ก็เหมือนกัน่ะพวกเราท่านทั้งหลายในพรรานี้รักษาศีลอุโบ ส, สถึกศีลแปดศีลห้าให้ทานตลอดใจมาดสามเดือนไม่เคยขาดอย่างนี้น่ะเรียกว่างดปุรีงดเหล้างดอบายามุกงดเที่ยวงดเตร่ไหว้พระสวดมนต์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 จังตั้งความปรารถนาไม่ใช่ว่าปุกปรับมากกินเหล้าหัวฟัดหัวเวียงเลยไปขอพรก้าวัดหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อว่ามันจะได้อย่างง่ลูกหลานไม่ได้ทำความดีก่อนไปขอพรก็ ด, ดีได้เห็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นการทัศนศึกษาสมมนานนันจทัศนังเอตมังครมุตตะมังเห็นสมมณะเห็นครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ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 เครื่องอุ่นใจทั้งหมดเราลำลึกขึ้นขึ้นเมื่อไหรเราก็สบายอกสบายใจสบายใจเออในพรรษาปี2556นะันห้าร้อยาเข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีไม่ได้ขาดตุกบกพ่องไม่ได้ขาดหล่นเลยสมบูรณ์บริบูรณ์เราลำลึกถึงนเมื่อไร่เราก็สบายใจมีความสุขใจความสุขใจท่านนนะ่ยบุญคือความสุขใจตัวนี้นแหละจะติดเราติดจิตติดใจเป็นนานเท่านาน จนถึงใจจะขาดเวลาถึงใจจะขาดแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีเออข้าพเจ้าได้สมาทานศีลรักษาศีลได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ทํำคุณงามความดีในพรรษาทุกพรรษาที่ผ่านมาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําคุณงามความดีเหล่านั้นขอให้มาเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าเนะข้าพเจ้าข้าวนี่เป็นข้าวสุดท้ายละข้าพเจ้าจะได้ลาโลกละข้าพเจ้าจะได้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 ใช้เครื่องขยายเสียงนลยก็เออวันพุ่งนี้เนอะกูบาอาจารย์ท่านไม่ได้มาบินทบาตบ้านเรานะท่านจะบินทบาทที่วัดผู้ใดจะจะไปทําบุญก็เออเอาไปเชิญก็ดีพี่น้องลูกหลานเขามากันมาทานอาหารด้วยกันเลี้ยงอาหารกันในวัดนี่แหละวันพุ่งนี้จากนั้นก็ตอนเย็นอบางทีอาจจะออกไปทั้งนอกอีก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 เป็นกระถินนเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวพวกนั้นขอให้พวกเราช่วยๆการคิดนะเรื่องกระถินแล้วก็คงจะมีพี่น้องทุกปีที่ผ่านมาศรัทธา ญ, ญาติโยงกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะั่นแะหนักพอสมควรแต่พอถึงยังไงก็ดีพี่น้องมาเยี่ยมเยียนเราพวกเราคนนนน่าจะภาคภูมิใจที่พวกเราได้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 คนนั่นก็ไม่ดียังนี้คนนี้ก็ไม่ไดียังนั้นคนนั่นน่าจะทำยังนี้คนนี้น่าจะทำยังนั้นอ em, e ย่างหลวงปู่ฟันท่านบอกว่าชีช้ออกไปข้างนอกคนนั่นน่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นชี้ออกไปนิ้วเดียวนะแต่พอมันโค้งมาหาตัวเองในนิ้วมือตัวข้าพเจ้าควรจะทำอย่างไรควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรควรจะทาตนอย่างไรให้ถูกต้อง ดีที่สุดนี่แหละครูบาอาจารย์นะว่าให้ดูเจ้าของชี้ไปหาคนอื่นชี้นิ้วเดียวแต่มันชี้มาหาตัวเองทั้งสามนิ้วตอน น, นั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะให้ช่วยๆกันคิดช่วยๆกันทาให้ช่วยกันสั่งสมบุญกุศลต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างจากกันไปหเห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่า ต, ตา ย, ยายหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่